ในประดูนต่อจากาเมื่อกี้นี่ว่าข้อสิบสองที่บอกว่าคำวิสัชนาสี่สิบสามข้อโดยเชื่อมเอกตะสับทุกแห่งเอกตะนี้อัอตกระถาให้แปลว่าในความที่มีอารมณ์เดียวภันอาวัชนะในอารมณ์เดียว น, น่คือธรรมชาติของจิตนี่มันก็รู้ทีละอารมณ์อยู่แล้วละ่ะนละสภาวะที่รู้แจ้ง แห่งวิญญาณสภาวะที่รู้ชัดสภาวะที่จําได้สภาวะที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นพวกนี้ก็เหมือนกับข้ออะไรเหมือนกับข้อสิบเนี่ยนะไม่ไม่ต่างจากข้อสิบอะไรแต่เพิ่มคําว่าเอกตตะเข้ามาเพิ่มคําว่ามีอารมณ์เดียวเนี่ยนะเหมือนกับข้อสิบเลยคล้ายๆกันส่วนสภาพที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นอันนี้ก็เป็นอะไรปกติ ถ้าก่อนหน้านี้อธิบายเป็นทุติยชาตินะส่วนสภาพที่เนื่องเนื่องกันเนี่ยนะอุปนิพพัทธะเนี่ยนะก็คือความเกี่ยวเนื่องกันความสัมพันธ์กันในความที่มีอารมณ์เดียวอันนี้ก็อธิบายลักษณะของจิตเ จ, ต, จตสิกนั่นแหละส่วนสภาวะที่เล่นไปเล่นไปด้วยปฐมชาติองสายด้วยทุติยชาตตั้งมั่นด้วย ต, ตัตยชาตหลุดพ้นด้วยจตุทชาต ส่วนการพิจารณาเห็นว่านี่ละเอียดนเนี่ยก็เป็นอนุภาพของการพิจารณานั่นเองพิจารณาว่าสภาวะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่ละเอียดส่วนใครที่เจริญกรรมฐานจนมีวสีเช่นทาให้เป็นดังยานเนี่ยนะยานีกตะยานีกตะเนี่ยแปลว่าทาเป็นให้เหมือนยานก็หมายความหมายถึงความชนานาญพิเศษของผู้ที่ได้สมาธิ หรือมีความชำนาญในการนึกนะนึ ก, กับเข้าฌานที่ไหนก็ได้นึกถึงฌานได้โดยที่ไม่นะเหมือนกับชำนาญในการนึกบางอย่างเลยนะนึกคล่องไปหมดเลยส่ว so นสภาวะที่ตั้งมั่นก็คือชำนาญในการเข้าเข้าฌานตั้งขึ้นเนืองๆก็สภาวะการที่ตั้งอยู่ในฌานอบรมก็คือการออกจากฌาน ปรารบโดยชอบก็คือการเอาฌานนั่นแหละมาพิจารณาเพะผู้ที่ได้ฌานปฐมฌานทุทาานติยฌานจตุธาฌานรวมถึงอรูปฌานด้วยก็ชำนาญในการเข้าชำนาญในการนึกถึงชำนาญในการเข้าชำนาญในการตั้งอยู่ชำนาญในการออกแล้วก็ชำนาญในการพิจารณาองค์ฌานเหล่านั้นส่วนสภาพที่กําหนดถือถือเอาไว้เนี่ยนะสภาพที่เป็นบริวารสภาพที่เต็มรอบ เต็มรอบพวกนี้ก็หมายถึงกาละที่เจริญกรรมฐานมีกสินเป็นต้นในขณะที่อบรมกรรมฐานนั่นเอง<ม>ส่วนสภาพที่ประชมก็คือจิตเจตสิก ต, ตั้งไว้ชอบประชมไว้ในอารมณ์เดียวส่วนสภาพที่อธิฐานก็คือจิตนี้ครอบงำอารมณ์ด้วยจิตที่เป็นจิตที่มีกำลังเป็นจิตที่ตั้งมั่นสภาพที่เสพอาเสวนาเนี่ยนะอาเสวนาก็คือเสพโดยเอื้อเฟื้อแห่งสมถะและวิปัสสนา สภาพที่เจริญก็คือภาวนาพระหุลีกรร ม, มะก็คือทำให้มากๆเป็นที่รวมด้วยดีก็คือสุสมุตะเนี่ยนะอ่าสสมุคคตะก็คือรวบรวมไว้ดีแล้วก็สภาพที่หลุดพ้นก็คือสูวิมุตตะสูวิมุตติก็คือความหลุดพน้นอ่ะนะเมตตาอะนะยามีกตายะวัตถุกตายะเป็นตน้นที่ใครเคยสวดอา น, นิสง์ของเมตตานะอา น, นิสงค์ของเมตตาสิบเอดอย่างก็ลักษณะนี้ อันใครที่เจริญกรรมฐานได้มากจนตั้งมั่นซ่องเสพภาวนาทําให้มีขึ้นเสพเอื้อเฟื้อทํำด้วยดีจนหลุดพ้นจากปฏิปักษ์ธรรมทั้งหลายอันพวกนี้ก็เป็นไปในอารมณ์เดียวคือแต่ละกระย่างแต่ละอย่างก็เป็นไปในอารมณ์เดียวนะพวกนี้ก็เน้นอธิบายลักษณะของส ม, มถสะสัส่วนใหญ่เนี่ยสมถะที่เป็นไปกับความชํานาญความคล่องแคล่ว การอบรมทั้งสมถวิปัสนาที่ชํานาญคล่องแคล่วก็เพื่ออะไรเพื่อการตรัสรู้พุทธชนะเนี่ยนะแปลว่าการตรัสรู้ใช่ไหมตรัสรู้ด้วยโสดาปติมัคอะนะอนุพุทธชนะตรัสรู้ตามด้วยสกทาคามิมัคปฏิปุทธชนะตรัสรู้เฉพาะด้วยอนาคามิมัคสัมพุทธชนะก็ตรัสรู้พร้อมด้วยอรหัตมัคอันนี้ในที่หนึ่งในที่สองบอกตรัสรู้ด้วยวิปัสนาตรัสรู้ตามด้วย โสดาปฏิมัติตรัสรู้เฉพาะด้วยสกท า, าคามิมัติอนาคามิมัติและอรหัตมัติตรัสรู้พร้อมด้วยสามัญญผลทั้งหลายนะด้วยสามัญญผลพวกนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพราะผู้ที่ปฏิบัติอย่างไรก็ใจก็มุ่งการตรัสรู้ใช่ไหมมุ่งการตรัสรู้มุ่งการตรัสรู้ตามมุ่งการตรัสรู้เฉพาะมุ่งการตรัสรู้พร้อม ถ้าบางคนไม่เข้าใจคําว่าตรัสรู้คาว่าตื่นก็แล้วกันโพธนะเนี่ยนะโพธนะก็คือความตื่นใช่ไหมตื่นด้วยอะไรโสดาปฏิมัตตตื่นตามด้วยสกขาคามิมัตตตื่นเฉพาะด้วยนาคามิมัตตตื่นพร้อมด้วยอรหัตตมัตตนั่นเองแจริงโพธนะโพธะตัวนั้นก็แปลว่ารู้ก็ได้นี่ยตรงนี้นิยมแปลว่าตื่นแปลว่าตื่นหรือแปลว่ารู้ก็มุ่งโดยอัธยาเหมือนกันคือมุ่งอธิบาย อริยมรรคเพราะอริยมรรคเนี่ยตื่นตื่นตามตื่นเฉพาะตื่นพร้อมไม่ใช่ตื่นตูมถ้าตื่นตูมไปไหตื่นตูมก็คือเอะวยไวใช่ไหมมันก็ต่ายตื่นตูมงั้นไ่มแต่นี้ไม่ใช่อันนี้หมายถึงตื่นด้วยการตรัสรู้ส่วนปฏิโพอส่วนโพธิปัติยธรรมเนี่ยนะเช่นไปในฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ก็เป็นโสดาปฏิมรรคเนี่ยนะตรัสรู้ตามก็เป็นสกาธาคามิมรรคตรัสรู้เฉพาะ ก็เป็นอนาคามีมัคตรัสรูพ้พร้อมนี่นะก็เอาอุปสรรคขึ้นมาอนุอุปสรรคก็เป็นสกข า, าคามีปฏิอุปสรรคก็เป็นสก า, าคามีเอ่อเป็นอนาคามีสังสังอุปสรรคก็เป็นอรหัตอาดาตามัคนี่นะส่วนต่อไปว่าสภาวะที่สว่างอะไรสว่างวิปัสสนาปัญญานี้ธรรมชาติที่สองสว่าง ถ้าสว่างขึ้นก็เป็นสกะโสดาปฏิมัคสว่างเนืองเนืองก็เป็นสกะทาคาเมมัคสว่างเฉพาะก็เป็นอนาคาเมมอกอนาคาเมมัคสว่างพร้อมก็เป็นอรหัตตมัคเป็นเรื่องของความตื่นความสว่างความตรัสรู้หมดเลยใช่ไหมไม่มีคามําว่าซึมซึมบู้บูบวบอะไรตรัสรู้ไม่มีใช่ไหมยานะสมัยใหม่ทําไมไม่รู้บรรลุด้วยการบู้บู้บวบยังไงก็ไม่ทราบเพราะนััน้นนนอี้ไม่ใช่แน่นอนเป็นเรื่องของความตรัสรู้ เป็นการรู้พร้อมรู้เฉพาะมีการตื่นตื่นตามนะมีการสว่างขึ้นเนี่ยนะตัอย่างที่พระองค์ตรัสว่าจักขุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมจักคุงอุทปาทิยาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทะปาทิเนี่ยนะก็คือจักขุปัญญาวิชาแสงสว่างญาณะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่านี้ทุกเนี่ยนะ ลักษณะนั้นเป็นเรื่องของการตรัสรู้ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ใช่ไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็สำคัญผิดไปไม่ใช่แน่นอนส่วนเกี่ยวกับอริยมรรคเพิ่มพิเศษว่าอริยมรรคเนี่ก็คือสว่างใช่สว่างยังไงเพราะอริยมรรคเกิดแก่บุคคลใดทําบุคคล น, นั้นให้สว่างสวัยภัยโรธและรุ่งเรืองดันนี้หมายถึงสว่างหมายถึงเห็นอริยสัจนั่นแหละเพราะอริยมรรคนี่สว่างสวัยภัยโรธและ รุ่งเรืองนะนะส่วนอริยมรรคไม่ให้รุ่งเรืองท่านบอกว่าประพาสสอนนะวิโรจนะก็คือประพาสสอนหมายถึงว่าอริยมรรค เ, เวลาเกิดขึ้นนั้นผุดผ่องอย่างยิ่งแต่ก็ผ่องใสนิ่งใช่ไหมไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าใสใสนิ่งนิ่งสงบสง บ, สงบลึกๆอ่นะแต่อย่างนั้นก็บางคนก็ไปถือว่าเป็นอริยมรรค คนก็ไปทําสมาธิบอกคนนิ่งใส่ภายในอะนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยใช่ที่ไหนอ่ะว่าเอาเองเท่นั้นแหะส่วนอริยมรุษนี่ทําให้กิเลสเร่าร้อนนะกิเลสนี่ต้องแห้งราคะนี่แห้งลงอนะเยื่อใยในวัตฏะลดลงความเครียดก็ลดลงเนียนะมีแต่ความสุขนะไม่ใช่กุศลแห้งหมดเลอแต่อกุศลอันนี้นไม่ใช่แน่นอนอะ เพราะฉะนั้นพวกนี้ทำให้กิเลสเดือดร้อนเนี่ยนะสันตาปะมีกิเลสอยู่ไม่ได้เลยทีนี้ถามว่าถ้าสนิมที่ที่ออกจากทองได้หมดเลยเนี่ยทองจะเป็นยังไงก็กลายเป็นทองผุดผ่องฉันใดอริยมรรเวลาเกิดขึ้นก็ฉันนั้นทำกิเลสให้เล่าร้อนกระเทาะ อ, ออกไปหมดก็ฉันนั้นเฉนันอริยมรรนั้นไม่มีมณทินนะวิอ่านะมะละเนี่ยนะไม่มีมะละคือมณทินนั่นเอง หมายถึงโสดาปฏิมร์หรือมร์ของภาษาวกส่วนอริยมร์ปราศจากมนทินเนี่ยวิมละวิมน่ะนะวิมะนะมก็คือหมายถึงสกอ า, าคา ม, มีมร์อนาคา ม, มีมร์หรือมร์ของพระปัจเจกนี่เป็นวิมนวิมละน่ยนะส่วนหมดมนทินเลยก็คือนิมมะะก็คืออะอะอุปสักวิอุปสักแล้วก็นิอุปสักเนี่ยนะ ไม่มีมนทินปราศจากมนทินหมดมนทินพั้นอารยมรคนั้นสงบอริยมรคนี้ทําให้กิเลสเนี่ยสงบระงับหรือว่ากิเลสเนี่ยระงับหมดเลยที่จริงอริยมร์ต้องบอกว่าสมยะตัวนั้นน่าจะแปลว่าตรัสรู้เนะอริยมรคนั้นเป็นธรรมชาติที่ตรัสรู้อริยมร์นั้นเป็นวิเวกเพราะทําหน้าที่สมุดเฉ ท, ทวิเวกอริยมร์ประพฤต์ในวิเวกคือจิตเป็นจิตที่น้อมไปในนิพพานอันเป็น นิสระวิเวกอริยมรรคนั้นคลายจากกำหนัดคลายกําหนัดด้วยสมุทเฉธานิโรดคลายกําหนัดด้วยสมุทเฉธาวิราคะประพฤติในหนิพานคือความคลายกําหนัดเนี่ยนะเพราะอริยมรรคนี่ตัวเขาเองเป็นสมุทเฉธาวิราคะใช่ไหมหนิพานนั้นเป็นนิสระวิราคะหรือนิสระวิเวกอริยมรรคนั้นเป็นสมุทเฉธาหนิโรดนิพานนั้นเป็นอะไร เป็นทุกข์นีโรธเนี่ยนะเป็นทุกข์นีโรธพระนอริยมรรคนั้นอ่ะเป็นตัวที่ดับทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วก็น้อมไปประพฤติไปในพระนิพพานเป็นที่ดับทุกข์นารยมรรคนี้เป็นที่ปล่อยโวสัฏขะนะสังเกตดูนะวิเวกวิราคะนิโรธโวัฏขะนะเหมือนเรียนเมื่อวานเลยใช่ไหมเหมือนเรียนเมื่อวานนั่นแหละวิเวกอ่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราขะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ ก็ถ้าปฏิบัติได้อย่างแท้จริงก็จะวิเวกอย่างนี้วิเวก ด, ด้วยสมุทเฉทวิเวกวิราคาระด้วยสมุทเฉทวิราคะนิโรธะด้วยสมุทเฉทะนิโรธแล้วก็ปฏินิสักขะก็คือปริจาคคสละกิเลสปักขันธนะแล่นไปสู่พระนิพพานภาวะที่หลุดพ้นก็คือสมุทเฉทะพิมุตย์อันการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายก็โอนมหาธรรมะเหล่านี้นะพวกนี้เขาเรียกว่าธรรมะ การเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเป็นอนุธรรมะไดียินคำว่าธรรมานุธรรมะปฏิปฏิหมการปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมถ้อยคำอธิบายเหล่านี้เป็นของโลกุตระธรรมล้วนๆดังนั้นการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายก็ต้องโอ่ลไปเพื่อธรรมะเหล่านี้ซึ่งเป็นโลกุตระธรรมดังั้นธรรมะเหล่านี้ควรเอามาทําปริญญาเอามาไขครวเน่ยนะสมาทานอธิษฐานว่าสักวันหนึ่งต้องแพงตลอดธรรมะเหล่านี้ให้ได้นนะ วันไหนเนาะก็วันที่ทําละกุโสแระทบริบูรณ์เต็มเตีเ่ยมตอนนี้กําลังรวบรวมอยู่ว่างั้นนะนี่ยกลังรวบรวมอยู่ต่อไปเป็นอิธิบาทเนี่ยที่บาปเป็นอิธิบาทว่าอย่างที่กล่าวว่าอิทธิบาทเนี่ยถ้าตอนเป็นโลกิยะเป็นอธิบดีใช่ไหมถ้าขณะอารยมรักษเนี่ยอิธิบาททั้งสี่ประชุมกันเช่นว่าฉันทะเนี่ยนะหมายถึงกัตตุกรรมมยตาฉันทะความต้องการเพื่อจะทํากตตุกรรมมยตาฉันทะ ส่วนฉันท่านี่เป็นมูลก็หมายถึงว่าการเจริญภาวนาเนี่ยอเอาฉันท่าเป็นประธานเป็นศีรษะอย่างที่เราเรียกว่าเป็นคนมีศรัทธานําหน้าในการปฏิบัติธรรมอันลักษณะของคนมีศรัทธานั่นแหละคือคนมีฉันท่าคนมีฉันท่าคือคนมีศรัทธาในเนติปรกรณ์อธิบายฉันทะเป็นศรัทธาหรือว่าศรัทธานั่นแหละเป็นฉันทะส่วนฉันท่านั้นเป็นบาทเพราะเป็นบาศเป็นที่อาศัยของสหาชาตธรรม เป็นตัวประคับประคองนะเป็นตัวประคับประคองไปด้วยกันนั่นแหละไปด้วยกันนั่นแหละเหมือนอะไรนะเหมือนกับการเดินทางไปสักที่หนึ่งใช่ไหมแต่มีมีบางคนเป็นที่อาศัยใช่ไหมพึ่งบางคนไปอย่างเงี้ยเนี่ชันท่านั้นเป็นประธานคือเป็นอธิบดีความสําเร็จแห่งชันท่หมายถึงว่าในขณะประกอบประโยคการคือประกอบความเพียรในการเจริญกรรมฐานน้อมไปแห่งชันท่ด้วยศรัทธาประคองไว้ด้วย วิริยะตั้งมั่นด้วยสติไม่ฟุ้งซ่านด้วยสมาธิเห็นเห็นก็ด้วยปัญญาเพราะะฉนั้นการเจริญโดยยกเอาฉันทะเป็นประธานก็เพื่อให้ฉันท่เป็นหัวหน้าให้ฉันท่เป็นบาตให้ฉันท่เป็นประธานะนะเพื่อให้ฉันทะานี้เป็นบาตให้เกิดความสําเร็จแล้วก็เจริญศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาทั้นอันนี้ยกผู้ที่เจริญฉันท่าเป็น หัวหน้าเป็นประธานเป็นอธิบดีในการปฏิบัติธรรมเพราะบางคนนี่เขามีศรัทธามากยกศรัทธาเป็นหัวหน้าใจเขาผองไสเนี่ยนะพวกนี้ไม่ค่อยเลิกราง่ายๆเนี่ยนะพวกนี้ทําได้อะไรนะทำแบบคนมีใจรักเนี่ยทำด้วยความสุขจริงๆพวกนี้เป็นพวกสุขขาปฏิปทานเนี่ยนะปฏิบัติอย่างมีความสุขอาศัยว่าตัวเองเป็นผู้มีศรัทธาน้อมใจเชื่อเอาสรัทธาเป็นประมาณ แต่ขณะเดียวกันศรัท ธ, ธาของบุคคลนี้หมายถึงว่าศรัท ธ, ธาในฐานะที่มั่นคงนะคือพระรัตนะไตรส่วนบางท่านนั้นเอาวิริยะเป็นเป็นใหญ่ใช่ไหมมีวิรยิยะวิริยะนั้นลักษณะของเขาคือปัหขะประคองการประคับประคองอันวิรยิยะเอาวิริยะเป็นมูลในการเริ่มภาวนาเอาวิริยะนี้เป็นบาตเป็นที่อาศัยของกุศลธรรมทั้งหลายเอาวิริยะนี้เป็น อธิบดีเอาอาวิริยะเป็นอธิบดีเอาวิริยะเนี่ยเป็นที่สําเร็จเพราะว่าเอาเป็นบาสนะพอมีวิริยะก็น้อมไปด้วยศรัท ธ, ธาประคองไว้ด้วยความเพียรตั้งมั่นด้วยสติไม่ฟุ้งซ่านด้วยสมาธิเห็นด้วยปัญญาเพราคำห้าคําสุดท้ายนี่จําไม่เลยว่าอินทรี่ห้าง่ายๆนะนะประคอง อ่อขออภยน้อมไปก็อธิโมกเป็นชื่อของศรัทธาประคองก็เป็นชื่อของวิรยิยะตั้งมั่นด้วยสติไม่ฟุ้งซ่านด้วยสมาธิเห็นด้วยปัญญาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เอาวิริยะเป็นประธานเอาวิริยะเป็นประธานเอาวิริยะเป็นอธิบดีเพราะพวกนี้เป็นวิริยาที่ปฏิวิริยาที่ปฏิวิ ร, ย ร, รมมิยาธิปฏิวิริยะสัมปยุตการนังทำมานังเลยนะวิริยะเป็นประธานาวิรยิยะ วิริยะเป็นอธิบดีเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยวิริยะด้วยอำนาจของเหตุด้วยอะไรอธิปฏิปัจจัยนั่นเองพวกนี้ยกวิริยะเป็นหัวหน้าเป็นประธานในการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นหัวข้อธรรมะเหล่านี้นะถ้าใครไปเรียนปัจฐานนี่จะเข้าใจได้ไม่ยากนะักเพราะวิชาปัจฐานก็ยังเอาหัวข้อเหล่านี้ไปอธิบายถ้าจะอธิบายวิรยิยาธิปฏิได้ดีก็ต้องเอากุธรรมะเหล่านี้ไปจำแนก ส่วนต่อไปจิตตะจิตตะก็คือจิตจินตนะจินตนะก็คือคิดอ่ะนะจินตนาการใช่ไหอาการของคนที่มีความคิดนั้มีความคิดคิดไปพันสภาวะของจิตนั้นก็คือคิดจิตนั้นสามารถเป็นมูลโดยการที่ยกเอาจิตนี้เป็นเป็นใหญ่ใช่ไหมเอาจิตเป็นใหญ่เอาจิตเป็นบาทเอาจิตเป็นประธานคือเป็นอธิบดีเอาจิตเป็นที่ สำเร็จเพื่อจะเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยนะโดยยกจิตเป็นอธิบดีโดยยกจิตนี่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าและเป็นประธานส่วนปัญญาบ้างปัญญาปัญญาปัญญาก็คือวิมังสาอุปปริกขาแปลว่าการเข้าไปพิจารณาการไขครัอย่างละเอียดละอทีท่วนภาวะของผู้มีปัญญา นั้นเอาปัญญาเป็นมูลเอาปัญญาเป็นบาทเอาปัญญาเป็นประธานเอาปัญญาเป็นคุณเครื่องทำให้ประสบความสําเร็จเจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาอีกครั้งพวกนี้มีปัญญาเป็นอธิบดีมีปัญญาเป็นหัวหน้าในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายของเราทั้งหลายเนี่เอาอะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิว่าไปเรื่อยนะมีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเห็นไะจะรู้ที่ว่าจะเพลหรือเปล่าอัานนะี้ ฉันทะนะบางคนก็ปฏิบัติธรรมด้วยฉันทะบางคนด้วยวิรยิยะบางคนก็ด้วยจิตเป็นใหญ่บางคนก็ปัญญาเป็นประธานเป็นหัวหน้าเขามีปัญญาเป็นอธิบดีนี่การปฏิบัติธรรมเนี่ยนะทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วยางไรเสียก็ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเพราะฉะนั้นอริยสัจนี่ก็ต้องแทงตลอดสภาวะลักษณะที่ถ่องแท้ใช่ไหมทุกมีลักษณะที่ถ่องแท้ของเขาคือ ปีละนะสังคตะสันตาปะและวิปรินามะอริยสัจสี่นั้นถ้าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขสมุ ท, ทยัยผู้ใดเห็นทุกขสมุ ท, ทยัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขานิโรธผู้ใดเห็นทุกขานิโรธผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขะนิโรทคามินรทัิปทั